ต้องไม่ทราบ อ, อะไรก็แสดงว่าเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาก็ยังยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาอวิชชาเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนาะเป็นค้อข้อของใจสงสัยนัย่นแล้วก็ยังจุดลงไปที่นั่นทำความสนใจในจุดนั้นพิจารณามันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแต่มันก็ไปถูกจุด พอเราไม่รู้ชื่อนะอะไรเป็นอวิชาอาวิชาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันเห็นเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั้นมันเป็นจริงกานวันนี้เราไปหาจับจูนผู้ร้ายไปจับก็จะได้แต่สมุนมันท่านั้นจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันไม่ทราบวันนายมันอยู่ที่ไหน ับมากจับมากจับเข้าไปจับเข้าไปตีตะล่องเข้าไปหรืเรียกว่าล้อมโจนที่เจ้าหน้าที่มีกาลังมีจํานวนมากแล้วมะ ก, ก็มีกาลังมากต่างคนต่างอาศัยกันก็มีกาลังกันสำหรับเจ้าหน้าที่ล้อมนอบจุดที่โจนอยู่โจนที่โจนอาศัยอยู่ กับคนนี้มัดคนนั้นเข้าไปมัดคน น, นั้นเข้าไปถามตา ม, ามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดน่ะจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้นคนสุดท่านจะจะเป็นนายของโจร <c oughs> คนสุดท้ายมันมันจะอยู่มันจะอยู่ในในที่สําคัญ สมุนท้องโจรจะต้องรอมรอบขอบคิดรักษาไว้อย่างดีดีอย่างดีดีถูกจับเข้าไปเป็นลำหนักลำหนักเอาจนถึงอุมโมงค์ที่โจรอยู่ที่หัวหน้าโจรอยู่ก็ฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั่นแล้วมันก็ทราบชัดกันในิง อันนี้เป็นตะเกียงรูปเปียบมีความเกี่ยวข้องกับสินใดมันก็เป็นขแหน่้ของความหลงไม่ว่าจนหลงทางดีทางชั่วมันเป็นเรื่องของวิชาจริการของวิชา้ชนั้นแต่ตัววิชารนินไม่รู้ทานอุบายวิธีพิจารณาต่างๆจึงเพื่อถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเรา วิทย์น้ำเพื่อจะเอาปลาถ่านน้ำมันมีจํานวนมากปลาจะมีอยู่จํานวนมากน้อยก็ไม่ทราบวิทน้ำออกถ่านน้ำมันแห้งลงไปเป็นน้ําหนักําหนักปลามันก็รวมตัวเข้าไปรวมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ําวิ่งในน้ําน้ําก็ถูกวิทยออกเลยเลยวิทย์ออกเลยเล ย, ออเล ย, เลยปลาก็รวม ตัไหนดินงไปไหนก็มองเห็นเพราะหน้ามันแห้งลงไปผลสุดท้ายเมื่อนหน้า ม, มันมีแล้วปลากม็มีที่หลุดหลีกก็จับได้บาทีว่าลูกเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสกับอาการน้องผิดที่มันเข้ากันมันก็เหมือนกับน้ําที่ปกคลุมอน้ําที่มันเป็นที่อาศัยของจาง การพิจารณาสิ่งนี้เราไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับคนที่วิทยน้ำไม่ได้หมายจะเอาน้ําแต่หมายจะเอาปลาต่างหาการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งเหล่านี้แต่ให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นลํำดับลำดับพอรู้ไปที่ไหนผิดก็หายของบนรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องรู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องมาเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวสิ่ไปหลงรักของทางในสิ่ ง, น, งนั้นนี่นะโยงก็แคบเข้ามาแคบเข้ามา เ, เหมือนกับวันน้ำแห้งเข้าไปมีพิจารณาในธาตุในขันอะไรมันก็เหมือนกับสิ่งทั่วทั่วไปภายนอกมันไม่มีอะไรแปล ก, กันก็เป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึงน้องธาตุก็เป็นธาตุอันเดียวกันนี่มีแต่อาการของกิจที่แสดงตัวออกมาไม่นเนไปไนหมายอันนี้มันก็น มันก็ยังเป็นกิงกานของอวิชชาแต่มันจะเข้าประหาส่วนใหญ่จารณาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไรก็ยิงยิงเห็นตัวตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีเหมือนกับน้ามันแห้งลงไปเท่าไรก็เห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีทุกทีการปัญญาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายหนึ่ง เจอจิตกระทำมันตัวชัดเข้าอะไรมันก็เป็นเหตุจะเห็นจุดที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสาคัญชัดขึ้นชัดขึ้นนะฮะตะล่อมเข้าไปเองความรู้ของจิตมันก็แคบเข้าไปความกังวลของใจก็ ม, มีน้อยกระแสของใจของที่ส่งออกไปของแคบเราก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเพื่อนอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณา ความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปสแสดงตัวด้วยมันก็เห็นทั้งสองเงื่อนในรู้เห็นรู้ผลกันทั้งสองด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้อง ท, ที่ถูกเกี่ยวข้องนั่นหนึ่งและผู้ไปเกี่ยวข้องนั่นหนึ่งขยับตัวไปแต่ทีนี้เมื่อเข้าไปถึงตัววิทัยจริงโดยมากนักปฏิบัติท่าไม่มีครูอาจารย์คนนแนะไว้ก่อนแล้วจะต้องไปถีอเอาตัวนั้นแหละ่าเป็นตัวจริง ก็สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแด้พิจารณาแล้วเป็นความชับในจิตใจว่าเรารู้เท่าและปล่อยวางระหมดแล้วมีสิ่ง้นึ่ผู้ที่รู้จริงทั้งหลายนั่นคืออะไรเที่ทีนี้ก็ไปสร้างหนอนนั้นไว้เนี่ยที่ว่าเป็นอวิชชาที่อวิชชารวมตัวแล้วกลับว่าเป็นตัวเพื่อที่จะมาหลงอยู่นั้น ว่าวิชาก็คือหลงตัวเองเนี่ส่วนที่หลงสิ่งภายนอกนะั้นมันเป็นสิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชาจริงมาหลงอันนี้เองมาหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายผู้นี้เป็นอะไรลื ม, มวิชาวิจารเพราะจิตเมื่มีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจุตตัวเองจุดของจิตที่ ที่ปราบกดตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสมีความยิ้ยมแย้มเฉื่อยใสมีความองอาจกล้าหาญความสุขก็รู้สึกว่าจะรวมตัวอยู่ที่นั่นหมดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะมันมันเป็นผลของอะไรถ้าจะพูดว่าเป็นผลมันเป็นผลอยู่ เราจะพูดว่าเป็นผลของปฏิบปทาเครื่องนงินก็ถูกถาหว่าเราไม่หลงอันนี้นะถ้าเรายังหลงอยู่มันก็ ม, นกมันก็ยังเป็นสมุทยัยนี่แหละที่จุดของสมุทัยจุดให่แต่ถ้านูกปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจารณาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็ยังไงผลไม่ได้ต้องสนใจเขาพิจารณาติดนั้น ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เคยพิจารณาและเคยรู้เรื่องกันแล้วมันก็ไม่สัมผัสจะแยกจิตออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่สัมผัสรู้พอตัวอย่างถึงที่สัมผัสมันก็เป็นเหแค้สนใจนั่นสนใจในจิดอาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้นจิต ท, ที่ปรุงขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นจากนั้นสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็มันก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วที่มีความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็น นี่ก็เป็นเห็นให้พิจารณาอีกเพราะในขั้นนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ผิดคือจากจากวิชาอาจากวิชามันไม่แน่นอนกันบางทีก็มีอาการเฉาๆบ้างเล็กๆในน้อยพอให้ทราบมันแสดงอาการาไม่สม่ำเสมอมันค่อยมันพอเปลี่ยนตัวเองอย่างนั้นตามขั้นเนี่ยทำทีละอย่า นี่เป็นจุดที่จะนอนใจสำหรับผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งหรือด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากวมามีผู้ให้อธิบายให้ทราบไว้ลงหนะถึงอย่างไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังผลไม่ไหวที่จะทราบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจอยู่เพราะมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดื่มจิตใจ เป็นเหตุให้ดูดื่มเป็นเหตุให้พอใจทั้งพิจ า, ารณาพิจาราทั้งพอใจในในสิ่งที่ปรากฏนั่นาการที่กัดกระผมพิจารนามันเป็นอย่างนั้นมันทําให้ให้งงเหมือนกั น, นไน่แม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้ อันสว่างกระจ่างแจ้งอยตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาในสถานที่มหมายถึงตลอดเวลาของผู้มีความเพียรอยู่มีการชำระซัก่อกันอยู่เสมอและความสงวนก็สงวนมากอะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่พอะอะไรมาสัมผัสก็รีบแก้ไขกันทันทีสัมผัสนั้นแต่สิ่งที่เราสงวนนั้นหาได้ทราบไม่ว่าคืออะไร ความสงวนก็ความรักความังวนนั่นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่เลยดีเในเวลานั้นเราไม่ทราบจึงกล่าวว่าจากสมควรเจริการแล้วก็เกิดความสนใจเจพืนอจะพิจารณาในนี้ในจุดที่ว่านี้นี่มันเป็นมั น, มนคืออะไรนาะนทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณามาแต่สิ่งอันนี้มันคืออะไรไนงะจิตก็เจอเข้าไปตรงนั้น ปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันมันคืออะไรแน่ไะอันนี้มันเป็นความจริงแ น, น่หรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิกชาหรือเป็นอวิชาคือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นแหละแต่อาศัยการพิจารณาพิจารณาไปตามที่ว่านทำไมมันจริงรักมันทำไมมันจึงสมวนณฑ ถามว่าเป็นของที่จริงแล้วทำไมจะต้องสงวนกันทำไมจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นพระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสำหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งทังที่ก็ไม่ทราบนะว่ามานันคืออะไระเป็นอวิชาจริงหรือไม่ เพราะเราไม่เคยเห็นว่าวิชาที่แค่รินกับอวิชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตตกับสมมุติมันต่างกันยังไงปัญญามันก็มี <c oughs> คือก่าเกิด ค, ความสนใจในจุดนั้นพิจารณาที่นั่นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมาก พูดตามที่พิจารณามา น, นี่ยอดออกมาเฉพาะเฉพาะพให้ได้ความตามโอกาสอันควรแหงจะดูกออมาทียว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมา ให้พิจารณามันสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติทท้งนั้นมีหมายถึงทำอะไรอีปรากฏที่ใจแม่ที่จุดจุดที่มีความสว่างสบายอยู่นั่นนั่นแลคือจุดอวิชาทิกำหนดลงไปที่นั้นมีปนดา สราว่าธรรมทั่วไปนั่นเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งชั้นใรธรรมชาตินี่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็นไม่ได้แต่ความสงวนอยู่นี้แสดงว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดทางอันดามสอดเข้าไปอันนี้เป็นอะไรแน่ๆเ ห, นเหมือนกับว่าเราย้อนมาดูตัวของเรา เรามองออกไปข้างนอกเราก็เห็นดินฟ้าอากาศก็เห็นมีอะไรมาผ่านทางสาตาเราก็เห็นแต่เมื่อเราไม่มองมาดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นตัวของเราปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาดูจุดสุดท้ายนี้ว่าเวลาสุดท้ายพอปัญญาค่อยๆดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่นคือไม่พิจารณาเพื่อถือเอาพิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งที่ตามความจริงของมันที่ปรากฏ เหมอกาวันนี้มันจะดับมันมันมันมันไม่เหมือนสินทั้งหลายดับสิ่นทั้งหลายดับเป็นเป็นความรู้สึกของเราเข้าใจแล้วในสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันสลายลงไปทันทีเหมือนกับอะไรพราพูดถึงฟ้าก็เหมือนฟ้าแหละมันเป็นขณะอันหนึ่งี่ ที่ทำงานของตัวเองหรือว่ามันพลิกขานาดมันพลิกค้อมลงไปแล้วหายไปเลยพอนี่หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คือวิชาที่เพราะอันพ อ, พอเห็นว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมา ให้เป็นตัวสมมุติสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แม้จะไม่เคยเห็นแต่ปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นน่าสงสัยมัน ภาระมันจึงคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจานาอะไรก็พิจนาเพื่ออันนี้หรือคํามารู้ก็ว่าเราตัวนี้ยรู้คำว่าสว่างก็เราสว่างคําว่าเบาก็ว่าเราเบาคว่าสุขก็ว่าเราสุขคําว่าเราว่าเราก็คือหมายเรื่องตัวนี้เองนี่ตัวตัวที่ว่าตัววิชาแพรทําอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นเพราะนี้สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไร เรา จ, จะเทียบปูนยาก็เหมือ น, น, นอก้นหม้อที่ถูกทําลายไปแล้วแม้จะเทน้าลงไปมากเท่าไรก็ไม่มีอะไรกระขังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุมขึ้นมาตามธรรมชาติของขันมันก็ปลุมขึ้นได้แต่มันไม่มีที่เก็บเพราะภาถนะอ น, นั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไรเหลือปรุมก็พอปรุมครับดับไปมันก็ผ่านไปธรรนดาหายไปหายไปไม่มีที่เก็บไม่มีใครเป็นเจ้าของ ธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้นมันก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั่นเองนั่นจึงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัด ร, ระวังรักษาเป็นความพอตัวยี่ตายตัวอันนี้เองที่ปกปิด ธรรมชาติอยู่จึงไม่เห็นความอัศจรรย์ในหลักธรรมชาติของจิตอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของอัศจรรย์เยจึงมารักมาสงวนมาหึงหวงไว้มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราคิตเราสว่างสวัยกินเรามีความมุ่งอาัก้าหาันจินเราเป็นสุขจิตเรานี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองนั่นท่านเรียก ว, ว่าอวิชชาแท้พอกลับมารู้อันนี้อันนี้มันสลายไป พอรู้แล้วอ น, นี้ตั้งอยู่มื่อใดก็สลายไปพอนี้สลายไปก็เหมือนเร า, เ, ราเปิดฝามหมอขึ้นมาแค่นี้มีอะไรอยู่ในนั้นมันเห็นหมดอันนี้ทานั้นเราปิดเลยความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสาจัจจะคือทุกสมุทัยรบมากก็คือความมืดสุนี้เป็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้งสี่สัจจะทั้งสี่นี้มัน สองสัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายผูกมัดสองสัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับดับอะไรผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกกิจ ด, ดวงมือสุดคือมาปกคลุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดออกเปิดสิ่งที่ปกคลุมนะ่ะให้ไ้เห็นความมือสุดตามความจริงของตนความจริงนั้นมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัจาะทั้งสองคือทุกสมุทัยนี่มันปิดเหมือนกับ ฝาหม้อปิดหม้อไว้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรคือข้อปฏิบัติเปิดมรกนีโรดเปิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นชัดว่าเป็นอะไรคขามสึกเป็นของมีดั้งเดิมก็ตามแต่ถูกทั้งสองนี้ปิด และผูกสัจจะสิ่งเป็นฝ่ายแก้ทั้งสองนั้นอเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดก็เปิดให้อันนี้ผูกก็ผูกอันนี้ปิดกันมากเพราเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาเนี่ยสัจจะทั้งสองนี้เป็นถ้าว่าเป็นอ่านจะเรียกว่า เป็นกิริยาอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นสมมุติเหมือนกันมรรคก็เป็นสมมุตินิโรธก็เป็นสมมุติพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ก็ผ่านไปทุกข์กับสมุทัยก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งสองแก้สมมุติทั้งสองนี้เลยแล้วธรรมชาตนนินั้นก็เป็นอัน ธรรมชาติตายตัวหรือเรียกว่าวิมุตต์สิ่งที่เห็นนั้นคือเปิดให้เห็นวิมุตต์คือความรู้สึกโ ด, ดยหลักธรรมชาติเนี่ยภาระหมดก็หมดตรงนี้ไม่มีอะไรความรู้สึกแล้วไม่เสียสนั่นดัวตัวเองส่วนภายนอกมันยังไกลโลกธรรมนอกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมใน หมายถึงความว่าดีว่าเจีวว่าสุขว่ทุกข์ภายในตัวเองก็หมดปัญหาไปกับจุดนี้สลายครัพุจนามาถึงขั้นนี้ไม่กว้างได้อุบายจากครูอาจารย์ที่ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นเคยผ่านไปอธิบายครั้งเข้าไปได้อย่างรวดเร็เว แต่สำคัญจะไปคาดคะเนความคาดคะเนไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นลําดับลําดับแล้วเข้าใจกันไปเลยๆมีเป็นทางที่ถูกอวิชชาคือหมายตรงนั้นนี่เองเป็นอวิชชาแท้เรานั้งแต่ปิดกิจการสาขาเหมือนกับเท้าวันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่เลื่อยไปที่ไหนไม่ทราบ มันยาวเท่าไรมันก็เลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเวลาจับถูกแล้วก็ตามเข้ามาตามเข้ามามันก็ลงมาจุดเดียวลำต้นมันอยู่ที่นี่รากมันอยู่ที่นี่พอถอนรากมันขึ้นแล้วมันก็ตายไปเรืยกันหมดจริงการสาขาวิชามันถึงกว้างขวางมากมากเขาถึงอวิชากจริงเลยไม่รู้อะไรเป็นอวิชาอืม ก็พิจารณาเรื่องของปัญญา ม, นมันก็พิจารณาเข้าไปถึงจะมีรู้วานี่เพือวิชาก็ตามแต่การพิจารณานะั้นมันผูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานควาบิีกก็แสดงกันมาให้เห็นครับในระดับน่้ันการกลับนันสรุปการบำบวิชา เป็นอุปติภพหรือกรรมภพมันก็เป็นเรื่องของวัตจักอันเดียวที่อาจารย์พูดนั้นถูกต้องมันหกักเอาะภพเาชาติภายในตัวเองอยู่อย่างนั้นเรื่องของกิติจะอยู่ดีเฉยไม่ได้มีแต่เรื่องขอาภพเกาอชาติทั้งนั้นทำงานสั่งสมเพื่อตัวเองแต่โดยมากจะสั่งสมเพื่อทาง กดทังตัวเองลงเดือทําทลายกรงกรรมกวมหาถึงทําลายตัวนี้พอทําลายตัวนี้แล้วมันก็หมดอะไรต่อถึงสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็เกี่ยวข้องกับใบธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้สูญสับไม่ได้เข้าต่างบ้านต่างเดือนไม่ได้มาอยูอาศัย ใ, ในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเหตุการณ์ผ่านไปผ่านมาธรรมดาแล้วก็ทราบชัดว่า ธรรมชาตินี้ไม่ไม่ได้สืบต่อกับอะไรความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นลําดับแล้วที่พอมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไรเราก็มาทราบในเรื่องของพบของชาติต่อไปจะเกิดดีหรือไม่นั้น้นไม่จําเป็นตระคาดคะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกดีแล้วอย่างชาัดเจนว่าเมื่อไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อพบก่อชาติภายในตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็ไม่มีพบมีชาติอะไรจะต่อไปข้างหน้า เพราะโรงงานนี้จถูกทำลายจะแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาหรือไม่ก่อเหตุแต่ตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยกินมาทำลายโรงงานอันที่ว่าขันลน้นล้วนก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้นล้ว น, วนไม่ไม่ไม่เป็นกิเลส้าตปิดตรงนั้นมม่เป็นกิเลสขันก็ไม่เป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือ ถ้าส่วนใหญเป็นกิเลสขันทุกขันเป็นกิเลสไปตามๆกันรูปเป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พ่อพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารนิยานเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างหากิจบริสุทธิ์ขันก็บริสุทธิ์ตามส่วนของขันท์ไมมีอะไรเป็นเป็นกิเลส ถ้าจิตเป็นเิเหรรถันกับเป็นิเลตวันยังขันมันเป็นไงก่อพบก่อชาติคือเรื่องของจิตผิดตัวเองอย้ น, นมันอยู่นิ่เฉยไม่ได้ลักษณะ ข, ของจิตที่มีกงจักเป็นเจ้าของงานนี้เป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่เสมอห ม, หมนุนอะไรก็เพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนั้น พอธรรมชาติอันนั้นมันสลายลงไปมันก็ไม่มีอะไรจะเกาอ ร, รู้ได้อย่างนั้นหรออดีตแ ท, ทนรู้ว่า่นนต่อไปว่าไม่เกิดอีกนะพระพุทธเจ้าจนอุทานทรงอุทานขึ้นมารู้อยู่ในปัจจุบันมันมันไม่มีอะไรจะมาก่อตัว ดีมันก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งฮะแต่วันมันไม่มาชุ่มซาบกันไม่มาข้าครากันชั่วมันก็เป็นเราก็รู้ชั่วมันก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปเสียถ้นนาไม่วิ่งเข้าถึงกันความที่ไม่เข้าถึงกันก็มันก็ไม่อยู่ใน ความบังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองเวลามันยิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับมันมันหามีสื่อมันต่อกันยิ่งถึงกันเองเมื่อมันหมดสื่อแล้วมันมันก็ขาดว่าขาดตอนั้งมันเองตามความรู้สึกของก็ผมที่ยืนนอนตอนไอ้นี้มันตัด ดับลงไปมันมีขนาดเหมือนกันมันเป็นขนาดคือขนาดนั้นเราไม่ได้คาดในฝันมันเป็นขนาดอันหนึ่งที่ทำให้สะดุดใจขนาดที่วิชาดับมันเป็นขนาดอันหนึ่งเหมือนกันคาดกับว่ามันคลิก ตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันพลิกทับพลิกทับวิชามันก็ดับไนขนาดนะั้นแต่ไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่ได้อยู่ในความตั้งใจว่าจะพลิกมันเป็นขึ้นมา อันนี้เป็นส่วนละเอียดรูปปฏิบัติการปฏิบัตินในในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเพื่อน ร, บรับอย่สองคือว่างอุปทานของของกายกับจิต กายกับจิตเป็นอีปทานต่อกันจะแยกจากกานันีเป็นเคล็ดับอันนั้นกลับมาจิดนี้มันมีเคล็ลับสองที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสำคัญผิดแต่นอกจากนั้นก็มันก็ไม่นานากสงสัยมันมีสอง ผมเคยไปน่เพ่นอยู่ที่บ้นดอยท่ า, านาจารย์คงมาปัญหาข้อนี้ขอเรื่องวิญาณมันทำทาให้งงเหมือนกันพอขนาดนั้นจิตมันมันสว่างจ น, จนจนตัวเองเกิดความอัศจรรย์ความสว่างสวัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้อัศจรรย์นั้นรู้สึกมารวมตัวอยู่ในนั้นหมด จนเกิดความมหัศจรรย์ในตัวเองมาแหมจิตของเราออกมาถึงขนาดนี้มองดูกายทั้งกายไม่เห็นมันเหมือนอากาศสาัทธาทั้งหมดว่างไปหมดเลยจิตมีความสว่างสวอย่างเต็มที่แต่ก็เดชะพอพอเกิดความอหัศจรรย์ตัวเองในเวลานั้นด้วยความหลงไม่รู้สึกตัวเาพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดมันเป็นความหลงกัน มากชัดเจัโดย่างทำไมจิตของเราถึงเป็นในขนาดนี้เพราะว่านั่นก็มีธรรมะบันดาลขึ้นมาอันนี้ก็มาคาในฝันเหมือนกันผุดขึ้นมาเหมือนกับมีคนพูดอยู่ภายในนี่แต่ไม่ใช่คนพูดผุดขึ้นมาเป็นเป็นบทเป็นบทถ้ามีจุดมีต่อแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบหม่ ธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆจุดของความรู้จุดของความสว่างมันมันมีจุดจริง ๆ, ๆที่เราก็ไม่ได้คํานึงว่าอะไรมันเป็นจุดเหงางทีเอาปัญหานมาขบคิดจนกว่าได้มาพิจารณาถึงอ่าตอนนี้แล้วตอนที่ว่าจุดนี้อันนี้มันปัญหานี้มันยึดติดลงไปถึงไในย้อนกลับขึ้นไปรู้เรื่องที่ว่าคํา เอถ้ามีจุดแหงมีจุดมีต่ออยู่ที่ไหนนั่นแหละตัวพบมันถึงมาได้ความอ๋อหมายตรงไหนแ้่ก่อนไม่เข้าใจมันเป็นจุดจริงๆมหัศาจรรย์เครื่องไหนไมันก็เป็นจุดของความอหัศาจรรย์มันเป็นจุดให้รู้อยู่พออันนั้นมันสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุดเพราะจุดมันเป็นสมมุติทั้งนั้น แลวอย่าแค่ไหนมันก็เป็นสมมติกาเปกปเพื่อสามหมู่เสมอมันทำมันทำไปถึงแม่จไปขังหัวอะไรทำองนั้นขังหัวให้พิจารณาไปแม้ที่สุดจะจิตถ้าจะชิบหายได้โดยการพีงานจริงก็หายไปชิบหายไปอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ผมันรู้ว่า รู้จะดทิดหาไปหมดมันมีอะไรจะรับรู้กันเลยขึ้ก็ขอให้รู้กันอย่าได้สงวนอเลยก็เพื่อว่าจะมาสึงเพื่จัดการไว้ว่าควยจะมาถึาวนั้นเองถ้าว่าไม่ไม่ลงขนาดนั้นจะงานก็ต้องติดขอให้รู้ทั้งนั้นอะไรจะสนับไปอะไรก็ดับมาแม่ที้สุดติดติดตรงนีจ้จะดับไปเลยเวลามาทงการพิจารณาก็ขอให้ดับไปเลยทีไม่ต้องสงวนไว้เวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้น การจะหนีความจริงไปไปไม่พ้นิึงใดที่เกิดถึงนั่นก็ต้องดับถึงใดที่กินเป็นหลัธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับคช้จิตที่บริสุทธนไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ว่าดับนั่นไม่ดับนล้พอดับไปอันนั้นดับไปผู้ถึงรู้ว่าสิงนั้นดับไปมันไม่ดับนั่น แต่ว่าเอาไวาก้ก็ได้หรือว่าไม่เอาไว้ก็มันก็รู้อยู่ดีว่าน่างราศน์น้อยไม่ได้ร า, ราศน์ราน์นี่ก็เท่ากับราศอนวิชาเราะวาิชามันละเอยียดมันดูทับจิตถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนวิชาจิตจะตห า, หามัน้ก็ขอติหามาว่าอุกมาเมออยังกับฟั น, นกัฟันลงไปเลยไม่มีเลยว่ ม้วนลงไปโดยกันหมดขนาดนั้นพอดีถ้าจะมีการแบ่งสู้แบ่งรับันยังไงก็ต้องติดในในคันนี้นะไม่ยอมแบ่งสู้แบ่งรับเลยก็เปิดก็ให้หมดหรืออะไรจะดับก็ให้ดับให้หมดนะพอดีส่วนที่ไม่ดับยังไงก็ไม่ดับถึงจะว่าอะไรก็ไมับแต่พออูดว่า ผมพูดง่ายๆงงว่าโตัมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี่ถ้าจะสงวนตัวบ้านอย่นี้กตัวมันก็อยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็ยืมป้ามาตายเอากไนจับเผาทั้งบ้านจับเผาไปเพราะจนหาว่าจะปล่อยตัวคนนี้ไว้มันจะทำลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากอะไร ย, ยืมของบ้านหลังนี้ยอมเสียสละขอบ้านหลังนี้ไฟเผ า, าไปเลย <laughs> มี่ยที่ว่าเอาชปจ้าง เขาวิชาของมันอาจริงจะดาวก็ให้ดับไปดิแค่จริงจริไม่ดับเผาๆนั่นหมดถึงจะรู้อ๋อถึงที่มีคุณค่ามันอยู่ตามหน้าของวิชามันขรอบความวิวชาดับกระทบอันนี้เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับทางสวรรค์วราเป็นอนาติไปไมาหล่อ น, นก็ผ ม, มพิจารณา ม, มาเป็นอย่งังตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่คุยการอย่างทันเสียไปแล้ว ผมไม่สึกว่าโอ้จนเกาะจนมืออยู่กับมูอเพื่อนไม่น่ะไม่ติดอยู่กับใครไม่ได้มันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สนุกที่จะน่ะอย่างที่กระโ่วงกระกลับอย่างมันหมุนจริงจริงจิตถึงขั้นหมุนหมุนม่มีเวลายับยังแต่ให้คิอว่าในขนาดนั้นมันมันหมุนเป็นธรรมจักรมันไม่มันไม่จช่เป็นวัฏจักรคือมันหมุนก็จะแก้ตัวเองมันหมุนหมุน ยากเลยล่ะพอถึงทํางานต็มที่มนแล้วมันก็อยู่ได้แยากจนเกิดความลาคันที่จะนอนไปเทไรว็อย่าเอาไปเทไรเต็มที่ภาระมันจะลดน้อยถอลงไปเหตุใดจึงมีภาระมากมาแล้วมันมีวันมีคืนด้วยทํำไมจึงเกิดหนังนี้เกิดความกังวําคันเหมืกันทั้งๆที่ลาคันนะมันก็ไม่ถอยมันก็ยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ย หมุนด้วยนะหมุนเพื่อหาค่าก็ว่าเราอคุยเฉียหาถึางที่มันยังไม่เห็นด้วยว่าอะไรมันมันคัดข้องตรงไหนอันนียมันคุยเสียเ ห, หมือนพอสัมผัสทั้งภาพมันก็ ต, ตามเลยทีพอเข้าใจภาพอันนี้ผ่านไปหาไปอ่าคนอีกนั่นก็ยังง่ายนึผมถาว่าอาจารด์แตนละ อยู่ในตอนนั้นก็จเรียอยู่สอนหมูรรมม่เพื่อนเมื่อกี้ผมก็สอนอย่างเต็มที่เห ม, มื อ, อนกันกัหมูกเพืนเอาไปยังไงถึงไงถึงการท่าวันนี้ไม่สามารถจะกเก้หมูกเพื่อนได้เราเข้าใจว่าองค์ไหนจะสามารถแล้วจะหาไปถ้านี่หมกความสามารถจะกเก้หมู่เพ่อนแล้วขนานั้นเพื่อให้หมูกเพื่อนลงใจเพราะฉะนั้นเวลาเทปบางกันนี่จึงไม่ยอมอัดเทปก็เนื่องจากเทปอย่างนี้เอาลงไปอย่างเต็มที่ ไม่ยอมอัดเยปเลยพราะเธปได้หายไปเลยฟังกันจะพอหรือเปล่ามาผู้คนอื่นที่ยังไม่เข้าใจการเล่าเรื่องแล้วเราจะหาว่าอวดดีปวดดีอะไรแต่แท้จริงเราพูดเพื่อเป็นกําลังจิตของลูกศิษย์เราอ้าต้องเป็นอย่างนี้แน่อ้าวฟาต้องไปอย่างนี้นี่นะว่ามั้นนะคุณนะเอาเราผ่าไม่ผิดกระไรเป็นอย่างนั้นมืนก็เป็นการประกันเพื่อให้ลูกศิษย์ไม่มีแก่ใจได้หมุนตัวลงไปอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องราวเราก็จะว่าเราอวดเราเลย แทนที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเป็นโทษะปหาก เ, เราไม่เป็นโทษเขาก็อาจจะเป็นระวัาบางบางบางการหรือบางรายที่ควรจะพูดให้ถึงถึงฐานจริงเขาพูดไม่งั้นผู้นั้นจะไม่ไมาเป็นที่นิยมใช่ไหมต้องมูลนอย่างเต็มที่ให้ข้าก็เปิดรับกันเลยจ่ะถึงไหนถึงกันไม่มีอะไรเหลือก็ต่างๆเปิดเลย <c oughs> แค่นั้นก็มแต่มันก็มีเป็นบางการมันจะมีเรื่องนะ ถ้าเหตุการที่ควรจะเปลนไนเปเานันแล้วคนอื่นมาฟังเขาก็ชาวบ้าพระีบ้าแล้วคือมันาจมันจะไม่รู้สุดตัวรลยคือมแต่ิ๊นึงหนยงิวิวิวชคอคารมานีมานี้มานีมานีอย่างนั้นนี่มานีมานีค่นั้นเอากงนีมาตรงนี้มากองนี้มนี่กิน เออผมคือมาบาดเจ็บแล้วเป็นยับกราบเรียน้มยักเพียงแต่นี้นอกนั่งมันก็กระคาถันที่ไม่ยอมให้อัดเพิ่มเลยอ๋อมันฟังไม่ได้ทั่วไปคือบางราวที่คนจะเปิดเนีมันมันจําเป็นอย่างนี้อยู่มันรั้งมันไม่อยู่เลยมันต้องผางเลยอันนี้มันเรืกิงเหตุการณ์คือเราก็ไม่ตัดไว้เหตุการณ์ที่มันควรจะเป็นมันเป็นจริง เนี่ยผมเองเคยฟังเทศหัวหน้าบริการใหญ่ถ้าท่านลงขนาดนั้นแหมมันถึงใจสามวันนะค่ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเนะในความรู้สึกอำนาจของธรรมะท่านครอบเครับผู้ฟังก็ตั้งใจยอย่างเต็มที่ผู้เทศกับเทศตั้งใจยอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเทศมันผ่านไปทั้งสามวันค่ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเงียบหมดอำ <c oughs> นาจคาบางกันแหมอำนาจ นี่หนะ้านี่หนะ้านี่หนะ้านี่หนะ้าอะไรก็ไม่เห็นเขาขี้คนตาบอดดนะูนี่จะทำไงนี่หน้าโอ้หนาสองเร็จเหมือนกันนั่นอยู่ที่ไหนถ้ไม่ได้กลับอ า, าจารย์มันแล้วนอนไม่ได้ทีนี้นี่ก่อเหมือนกันแม้ในสุดจะเดินยืนกรมก็ต้องหันหน้าไปก่กอนว่ามันจะมีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมุติก็เอาลูปของท่าน หากไมมีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมุดน้องนมักการไปเอาคุณลงท่านไม่มีวันจีดจังต่อหนึ่งว่าท่านไม่เลยร่วมรับไปธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลาบรรดาที่สามุกท่านเห็นหลักความจริงกับพระภูริการซึ่งไมยอมพระภูริกา คือยอมในลักความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมทำหลักความจริงนนรวา่าเป็นเหมือนกันเนาะที่มันมีวันจีดจังมันจะอยู่ไกลอยู่ไกลอะไรมันไม่มีอะไรจีดจั ง, จงเพราะความจริงเหมือนกันอย่างที่วันนี้ผ่านไปแล้วสองพัหาร้กว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับความจริงมันนั่นนอกจากเป็นการสมมตินิยมของเวลาไปเท่านั้นนี่ของธาดขั้มไปแต่หลักความจริงมันนั้นไม่เคลื่อนที่ เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นทั้งที่ทมชีวิตมีชีวิตอยู่และนิคานต์ตายเพคือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์นี้อันนี้เป็นความฟ่งอันตายตัวผู้ที่รู้ในหลคนคักความฟินก็ย่อมเชื่อต่อหลคคักความฟินะนะนะของขันไม่ยอมเอาอะไรไว้เลยนะคือนะท่านติดควรจะสังหารสังหารไม่หมดไม่ยอมขโมยอะไรทั้งนั้นจะพีนาให้รู้ทั้งหมด ทำไมปรากฏขึ้นมารือคําปรากฏมั่นเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นความมันรู้ทั่วเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นพนาระใจทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นกำหนดตามให้รู้หมดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดเกิดระดั บ, ดบนี่แหละเป็นสิ่งที่หลอกให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดเระ ด, ดับเนี่หลอกให้หลงนอกจากนี้ไม่มีอะไรหลอก แเราก็ถือว่าเป็นตนเป็นตัวอย่างที่ผู้จานว่าแต่จริงๆมันร้อยแปดตำรากินตรงเดียวว่ามันออกมาเป็นตนเป็นตัวจริงๆมไม่ต้องรับใบไม้ไม่ลองรับผุมไม้ชักผุมมันโกหกเราได้อย่างสบายโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเราเลยคนอื่นเขาก็มาโกหกยังมีเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ตัวไอ้โคหกตัวเองทั้งหมันนี่แหมหน่าสลุดทั้ ง, งอเองแค่คำโกหกตัวเอง แต่เพรานั้นมันก็มันก็หมอดภัยไม่มีอะไรมาหลอกอะไรก็จริงไปหมอลูกเสียงกินรถเครื่องฉันผัดไม่ข้าวเป็นอะไรเป็นมามาหลอกมันไม่หลอกตัวเองไม่หลอกตัวเองพอเห็นนี่พักออนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยตั้งคุณแล้วนู่นเป็นภาพเป็นอะแล้วออารมณ์ตัวเองนี่เรามาหลอกตัวเองเอีกอันนั้นมนาตรว่าหายไปไหนไม่รู้เห็ไปเห็นจริงนี่เห็นเหตุการณ์นั้นนั้นเราก็ผ่านไปแล้วไม่ทราบเหตุการณ์นั้นมันหายไป แต่เรื่องที่มโนภาพที่มันมากมาวาในจิตที่มันไม่หายอันนี้แหละมันหลอกหรอกกเวลาเหยียบท่อนไม้ก็ว่าเขาใจบางูกระโดดแคจนตัวลอยเขาหันหน้าหนุ่มองงูมันก็หายทุ่งใสถ้ามันยังม่หามันยังกะโดดอีกอืนี่พอมาดูอ้อมมันท่อนไม้ไ่วะนี่เหมันกันพิจารณาอะไรมันรู้โอ้มันอันนั้นอันนั้นก็หายทุ่งใสมันรู้ภายในลึกๆขององมันอันนี้เห็มันก็หาย ทังไม่รู้อมันก็ตื่นเก็นความตื่นเต็นของจิตไม่มีเมืองพอนอกจากจะทะําประงับไม่มีอะไรจะละงับได้ลหรือนักใครควรนะมีอะไรชาวไทยควรมีทางออกเป็นได้ติดแน่นเหมือนพูเขาทั้งลูกเนี่ยกลับไปได้โดยกำลังของการพิจนนารา ตอบสององนั่นพิจาราครับวันเดียวจะมีข้อเทียบเทียมันขึ้นพอเหตุผลรับเป็นพักก็ดับแต่รับหลับก็เป็นระยะระยะระยะลงต้นเป็นย่างนั่นก่อนพอถึงที่มันน่าซึ่งจะถอนทีเดียวขึ้นด่าวแดงขวดอันนี้มันก็หมายถึงวิชานั้นมันเป็นขนาดเดียวขึ้นทีเดียวคล่องหมดเลยดังนั้นก็หมดลปัญหาไม่มีอะไรที่จะตอบ